เมื่อเราได้บวชเข้ามาแล้วได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติได้เข้ามาบวชในช่วงระยะหนึ่งก็ได้ศึกษาธรรมะทำคาสังสอนของพระพุทธเจา้าถึงจะไม่ลึกซึ้งแต่ก็รู้แนวทางบางประเด็นในเมื่อเราได้บวชเข้ามาแล้วได้ศึกษาแล้วรู้บางประเด็นว่า ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มวลมนุษยชาติอย่างไรการที่เป็นอยู่ในมวลมนุษยชาติต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเพราะนั้นพวกเราที่จะออกไปอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะจะทำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สิ่เหล่านี้พวกเราได้มาบวชระยะเวลาเดือนกว่าหลวงพ่อเองก็ให้คําแนะนำหรือปรชี้นาชี้แนะให้แก่พวกเราท่นทั้งหลายได้ยินได้ฟังพอสมควรคงจะจับประเด็นได้ว่าหลวงพ่อมีจุดมุ่งหมายหรือมีจุดประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาปฏิบัติได้ศึกษาแล้วได้บวชแล้วได้ปฏิบัติในการเป็นพระพอสมควรแล้วตอนนี้ไป พวกเราจะออกไปสู่ครวาตขอให้พวกเราทุกท่านเมื่อออกไปสู่ครวาตก็ให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอยู่ในครวาตธรรมครวาตธรรมธรรมที่ครวาตควรปฏิบัติคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสาหรับครวาตธรรมธรรมของครวาตสี่อย่างอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะ การที่คนทั้งหลายอยู่ด้วยกันไร้สัจจะไม่มีความจริงอันนั้นแปลว่าโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยกันไม่ไม่มีความสัต์จริงต่อกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้มีสัจจะให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจต่อกันข้อที่สองธรรมะให้รู้จักขก่มจิตของตน ข้อที่สามคันติให้มีความอดทนข้อที่สีให้มีจาคะให้มีการเสียสละต่อกันอันนี้แหละคือธรรมของครวญครวาญธ ร, รรมสี่อย่างการอยู่ร่วมกันต้องมีสัจจะคนที่ไม่มีสัจจะพูดอย่างหนึ่งทาอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งหลบอย่างหนึ่งทั้งที่พูดตกลงกันแล้วหาความสัจความจริงต่อกันไม่ได้ครบกันไม่ได้ มนุษย์กลุมเพื่อนต่อเพื่อนก็คบกันไม่ได้เพราะว่าหักหลังกันอันนี้เพราะพุทธิย่าบอกว่าสัจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างมากสําหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันข้อที่สองธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนคือใจของเราแต่ละคนบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็หลกบางทีมันก็มีโทสะขึ้นมาบางทีได้ยินเรื่องอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักข่มจิตของตน ใจของเราก็ร้อนขึ้นมาแล้วก็พูดไปตามที่ใจร้อนขึ้นมาทำให้เสียหมู่เสียคณะเสียวงศาคนาญาติเสียพวกเพื่อนไปได้เสียพ่อเสียแม่ไปได้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีการข่มใจของตนเองอันนี้หลักของพระไารปิฎกพพุทธเจ้ า, าธรรมะให้รู้จักข่มจิตใจของเรามันคึกขนองขึ้นมาอย่างไรถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้ว เ, เราต้องมีเบรกเหยียบเบรกเอาไว้ อย่าทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะพวดเพราะนั้นให้มีเบรกสําหรับตนเองแล้วก็พวมมาลัยก็หมุนไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าหากว่าพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งนี้ที่เราทําไปแล้วการอยู่ของเราเนี่ยถูกต้องแต่เราขี้เกียจต้องเหยียบคันเร่งเข้าไปเหมือนกับการศึกษาที่เป็นแพทย์เป็นหมอเราขี้เกียจเรียนเราไม่ใส่ใจ เราอ่อนในการศึกษาตัวนี้เราต้องฝึกเราอยู่ในระดับนี้แล้วเราจะไปอ่อนต่อการศึกษาไม่ได้เราต้องเหยียบพันเร่งเราต้องดูหนังสือให้มากศึกษาให้มากเพื่อทําความเข้าใจในการที่เรื่องวิชาของตัวนี้ อ, อันนี้ก็นี่แหละขม่มในสิ่งที่มันไม่ดีเหยียบพันเร่งในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้รู้จักขม่มข่มใจของตนเองในขณะที่มันคิด มันไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือข้อที่สองข้อที่สามขันติ เ, เราทำหน้าที่การงานที่พวกเรามาบวชพวกเราก็ใช้ขันติอย่างแรงกล้าเหมือนกันทำไมเราอยากจะกินเราก็ขันติอดทนไม่กินเราอยากจะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราอยากจะร้องเพลงเราก็มีขันติไม่ร้องเพลงไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะนั้นขันติตัวนี้ใช้ได้หลายหลายอย่างตลอดความหิวกระหายร้อนหนาวการอยู่กับหมู่กับเพื่อนความถูกใจผิดใจมันต้องเกิดขึ้นในหมู่ในคณะเพราะในจุดนี้เราก็ต้องมีความอดทนเพราะการอดทนคำนี้จะใช้ไปนในที่ทุกสถานเราอยู่ในสำนักงานหรือการเรียนหนังสืออยู่กับพ่อแม่บงสาคณะญาติหมู่กับเพื่อนต้องมีขันติคือความอดทนไว้อยู่เสมอ ถ้าว่าผู้มีขันติคือความอดทนอยู่ในจิตในใจแล้วจะเป็นผู้สุ ข, ขุมคำภิรภาพและสวยงามเพราะไม่พรี้พรามไม่โป้งป่างไม่พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเราพิจารณาดูแล้วการพูดอย่างนั้นการทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องมีขันติคือความอดทนไว้ในใจนี่ขันติใช้ในที่ทุกสถานข้อที่4ี่ยาคะให้รู้จักการเสียสละ จาคะในกว้างกว้างการให้ทำเป็นทานก็คือจาระการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ก, การให้ทำก็คือการแนะนําสั่งสอนอย่างครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนวิ ช, ชาชีพให้แก่หมออย่างนีน้ก็เป็นการเสียสละเทคนิคต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ของตนเองอันนี้ก็คือเป็นการเสียสละส่วนหนึ่งจากนั้นก็มีการเสียสละเข้าน้ําโภชนาอาหารให้แก่คนยากจนที่หมูเป็นหมู่พกเพื่อนที่เขาด้อยกว่าเรา ที่เขาไม่มีอันนี้ก็คือการเสียสละและกับพ่อแม่ของเราที่เท่าแกชา่ชราช่วยตนเองไม่ได้ลูกเต้าหลานเหรินทั้งหลายพวกเราควรจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บิดามารดาของตนเองอันนี้ก็คือจาคะถ้าว่าเรามีจาคะอยู่ในจิตในใจแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดถิศใ ด, ดชนกลุ่มนั้นชุมชนนั้น หมูคณะนั้นครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นทุขแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันด้วยความขีดตนีถี่เหนียวไม่มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันชุมชนและสังคมนั้นก็หาความสงบร่มเย็นเป็นทุขไม่ได้เพราะนั้นจ่าค่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราไม่มีจาฆ่าหมาแมวลูกน้องบริวารสามีภัญญาใครก็อยู่กับเราไม่ได้เดือดร้อนไปหมด เพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีจาคะมมีการเสียสละมีแต่ขี้แตนีถีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครทั้งหมดพี่น้องอยู่ด้วยกันก็นไม่ได้เนยเพราะเหตุไรเพราะไม่ยอมแบ่งอะไรให้แก่เขาเนี่ยอันนี้จาคะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าคราวาสธรรมธรรมของคราวาสสี่อย่างเนีเป็นข้อข้อเนี่ยหนึ่งธรรมะให้รู้จักหนึ่งสัจจะให้มีความจริงใจต่อกัน 2ธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนสขันติให้มีความอดทน4ี่ยาคให้รู้จักการเสียสละแบ่งปันให้แก่หมู่พเพื่อนคู่คนญาติพี่น้องพ่อแม่อันนี้ก็คือธรรมของคราวาตัตเมื่อเราจะเข้าไปสู่คราวาตัตเราต้องมีธรรมทั้งสี่อย่างนี้ไว้ในใจในเมื่อเรามีธรรมสี่อย่างนี้ไว้ในใจแล้วหลวงพ่อว่าพวกเราจะปฏิบัติตนถูกความเหมาะสมกาลเทศะบุคคลเราก็จะรู้ ด้วยนะที่เอารับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นแบบฉบับหรือเป็นเครื่องชี้แนะชี้นำพิธีทางเดินชีวิตและจิตใจของพวกเรานะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ไม่ให้งอมืองอเท้าให้มันขยันในหลักธรรมก็มีอีกสอุทาณนะสมปทาถึงพร้อมด้วยความหมัน่นความขยันคนเราเกิดมาแล้วต้องขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่าไปงอมืองอเท้า จึงพธุธเจ้าด้วยเกิดมาแล้วต้องขยันอุติฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคษาสัมปทาเมื่อเราหมั่นขยันหาทรัพย์มาแล้วได้หน้าที่การงานแล้วได้เป็นแพทย์เป็นหมอแล้วให้รักษาเอาไว้ออย่าให้เขาถอนใบประกอบโรคศิลเราอย่าทําความชั่วอย่าทําที่ทําให้เสียหายให้รักษาเอาไว้เงินคําทรัพย์สมบัติที่เราได้มาแล้วเราต้องเก็บ ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้อันนี้แปลว่าราคาสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาการยาณมิตตาเราครบหมู่เพื่อนให้เลือกคบอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนไม่ดี อ, อย่าไปคบนักเลงหัวไม้อย่าไปคบคนขายยาบ้ายาม마อย่าไปคบคนคดคนโกงประเทศชาติบ้านเมืองให้เราเลือกคบให้รู้จักการครบค้าสมาคมอันนี้เลยว่า เรืยานามิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมนในใจถ้าเราเลือกคบได้นะนข้อที่สี่สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปป่นไปคดไปโกงเขาอย่าไปเบปียดบังเขามาเลี้ยงชีวิตของเรานะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราหาด้วยน้ำพักน้ำแรงอของเราด้วยการสุดจริตได้มาด้วยโดยสุดจลิต ได้ทรัพย์สมบัติมากด้วยความหมั่นขยันของเราอันนี้เลยว่าทิฏฐิธรรมมีกตตประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบั น, นขึ้นข้อแรกอุทฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความข ย, ยันข้อที่สองอรคะสัมปทาเมื่อรักษาทรัพย์สมบัติหน้าที่ตําแหน่งมาแล้วให้รักษาเอาไว้อย่าให้มีปัญหาอย่าให้ถอนใบประกอบโรคศิลของเรานะเมื่อเราเป็นหมอนะเรียก ว, ว่าถอนวิชาชีพ วิศวกรสถาปนิกของเราที่เราเรียนมาด้วยความยากลําบากแล้วเราทําความชั่วทําความชั่วใช่เขาถอนใบ ป, ประกาศใบ ป, ประกอบวิชาชีพของเรานี่ยจรงเหล่านี้เราก็ต้องรักษานีร่ราคะสัมปทานแกรยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามสำมาชีวตาให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนีอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสอนสําหรับ ฆราวาสญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะไปสู่ฆราวาสอย่างไ้พระพุทธเจ้ายังสอนอีกว่าตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งยุได้นานเพราะสถานสี่ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว 2. ไม่บรณะพัสดุที่ค้ำคล่า 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นพ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนอันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอีกสาหรับฆราวาสนะ เพราะนั้นพวกเราจะไปสู่คารวาอให้อยู่ในธรรมสี่ประการเอตระกูลนั้นมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพศฐ า, านสี่ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วเงินคําทรัพย์สมบัติรัราที่หายไปเราไม่ได้สนใจปล่อยหายไปทิ้งไปสมบัติก็หายไปทีละชิ้นละอันสมบัตินั้นก็จะมั่นคงถาวรไปไม่ได้ข้อที่หนึ่งนะไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่าสิ่งไหนก็ตามที่มันคล้ำขาดลดของเราไม่รู้จักซ่อมไม่รู้จักดูแลบำรุงรักษาสิ่งนั้นก็หายไปเสียหายไปได้เหมือนกันเอไม่รู้จักบำรุงรักษามันอไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติการบริโภคสมบัติใครเขาว่าเราหาเงินไม่เดือนหอนึ่งได้เท่าไหร่เราก็รู้แก่ใจ เราบริโภคเกินกว่าเกินกว่าที่เราหาอันนั้นก็เราทำให้ตระกูลเจ๊งได้เหมือนกันเราหาเดือนละหมื่นบาทเราใช้เดือนละแสน ไ, ไม่เจ๊งได้ยังไงเพราะนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติต้องดูตัวเองอืึจะไปดูคนอื่นไม่ได้ถ้าเห็นเขามั่งมีเราจะไปทาตามเขาไม่ได้เราต้องดูตนเองอันนี้แปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศิินให้เป็นพ่อเลือนแม่เรือนอย่ากเราออกไปเป็นฆราวาสเราได้แต่งงานกับผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนั้นชอบเที่ยวชอบเตะชอบเล่นการพนันชอบกินเหล้าเราก็มอบความไว้วางใจให้แก่ผู้หญิงคนนั้นแก่แฟนของเราแก่เมียของเราอย่างนี้ผลที่สุดเขาก็ถลุงทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาได้ครอบครัวนั้นก็ไม่เป็นผึกแผนล่มจมได้ไง่ายๆเหมือนกัน พอาในสิ่งเหล่านี้พวกเราที่จะไปสู่คารวาสต้องพร้อมถ้าตัวเอง เ, อเป็นนักเที่ยวนักเตะเราก็ควรจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่แม่บ้านที่เขารักษาดี เ, าเพื่อเขารักษาไว้ถ้าตัวเองรักษามันไม่อยู่นะสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องรู้จักในการสอบแสวงหาการเป็นอยู่ของชีพของพวกเราเพราะพุทธจ้าตท่านสอนไว้แล้วก็พ่อแม่ลูกก็เหมือนกันเราเป็นลูก เราควรทําตัวอย่างไรพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราควรเลี้ยงท่านต่อดําลงวงสกุลของท่านประพฤติตนให้ควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญพุทธส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ลูกนะลูกของเราเราทนทําตัวยังไงเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วเราก็ควรตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วก็ทํำกิจธรรุระของท่านดําลงวงสกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกสรุปแล้วก็คือให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจพ่อแม่ อ, อย่าไปกินเหล้าเมายาทำเลเทเม า, าแล้วก็มาขอเงินพ่อแม่แล้วจะให้พ่อแม่มอบทรัพย์มรดกให้พ่อแม่ที่จะมอบให้ก็เสียหายเพราะท่านท่า น, านไม่มอบให้สิ่งเหล่านี้เราก็ควรประพฤติตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่าน อันนี้คือหน้าที่ของลูกนะนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนหลักเหตุผลเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกนะถ้าอยากพวกเราอยากรู้ว่าตายแล้วเกิดให้ภาวนาทำจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเราจะรู้ได้กายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันร่างกายแตกตายสลายแน่นอนแต่จิตใจนั้นต้องไปตืป้อปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆต่อไปนะ วันนี้หลวงพ่อให้โอวาตก่อนที่พวกเราจะไปสู่คราวาัตก็เห็นว่าพอสมควรเาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประคมน้ำพุทธมนเพื่อเป็นชลิหมงคลต่อไป